เจดี JD, แล้วก็งานบรรจุพระปรรมสารีริกธาตุวันพรุ่งนี้วันที่7แต่วันนี้เป็นวันพระสงฆ์มารวมกันสวดมนต์เย็นแล้วก็เขาให้มนต์หลวงพ่อเป็นองค์เทศนะวันนะีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพอไปเห็นพระผู้ใหญ่มาท่านอาจจะให้องอื่นกล่าวสมุดธนิยคถาไปเลยก็ได้เพราะมันพระมีพระผู้ใหญ่มาแล้วก็ต้องเปิดโอกาส ถ้าไม่มีใครคงจะหลวงพ่อคงจะได้ขึ้นไปพูดวันนี้เพราะว่าคณะกรรมการที่จัดสร้างเจดีเขาว่าหลวงพ่อรู้รู้ดีที่สุดมั้งรู้ดีที่สุดเจดีของหลวงปู่จันสมเพราะหลวงพ่อได้ก่อตั้งตั้งแต่ประชุมนัดแรกจนถึงวางแผนจนหาผู้รับเหมา ลงได้ถ้าเขาพูดว่าหลวงพ่อรู้ดีที่สุดก็ไม่น่าผิดเหมือนกันเพราะหลวงพ่อรู้ตั้งแต่ ท, ทีแรกก็ได้ช่วยๆกันเร่นี้ก็เสร็จแล้วจะฉลองปีนี้ก็ได้แต่นังสือไม่เสร็จเขาก็เลยขอเป็นปีหน้าคืนนี้ก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมเทศนาถวายจะตุ ปัจจัยชัยธรรมวันพรุ่งนี้คงจะเริ่มพิธียกฉัดพระสงฆ์พร้อมคณะสัาญญาตยาธโยมจากนั้นกบ็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระพุทธรูปตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุของพ่อแม่กูบาลยานพระธาตุพร ะ, พระอรหันต์จะบรรจุไว้บนยอดพระเจดีย์คงจะเป็น งนี้แต่เย็นนี้คงมีการชวดมนต์ไหว้พระธรรมดาแล้วก็วันที่เก้าวันนี้เป็นวันที่หกนะวันที่หกมีนาห้าสามวันที่เก้ามีนาห้าสามจะเป็นการนัดคณะสงฆ์ลูกศิษย์พี่น้องมารับแปลน ของมารับแปน JD ดีของหลวงปู่เพียนปริโยวัดป่าน้องกองมาเลือกเลือกแบบแปลนมันเอาคณนะเป็นส่วนกลางมาเลือกถ้าจะให้คุณใดคนหนึ่งเลือกเดี๋ยวก็จะว่า J จดีคนนั้นคนนี้อีกละกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อีกให้มาเลือกพร้อมหน้าพร้อมตากันชอบไหมแปลนนี้จะทำได้ไหมแต่ถึงจะชอบก็เถอะ คนที่ชอบก็ต้องหาเงินมาถ้ามันเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการส่วนรวมนะถ้าว่าเออเอาชอบแปนนี่แหละถึง อ, อย่างไงก็หาเงินมาช่วยมาสร้างเพราะมันราคามันแพงธรรมดาของใหญ่ของดีมันก็ต้องราคาแพงถาาว่าราคาถ้าน้อยลงมาก็ราคาให้สมน้ําสมเนื้อให้สมกลุ่มพวกเราที่จะสร้างะ มันต้องดูกันให้รอบคอบนั่นแหละเ น, นว่าวันที่9้านีจะหาหรือกันรับแปลนหลวงพอนัดให้คณะกรรมการพร้อมคณะพระสงฆ์คณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเพราะการเลือกแปลนนั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเพราะว่าทำให้ไม่สบายใจในบางกลุ่มบางหมู่บางคณะได้ง่ายในเมื่อมติสงฆ์ออกมาอย่างนี้แล้วคณ้ส่วน กลางออกมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องยอมรับกันเหนันเพราะนั้นวันวันที่เกนะ้าน่ะจะนัดบ่ายโมงวัดหนองป่าน้องกองอันนี้คือสร้างท้าวรอนวัตถุท้าวรอนวัตถุในถ้าเราไม่รู้จักการวางตัวกับท้าววอนวัตถุนี่ก็ทำให้ติดหนับเหมือนกันนะผลที่สุดก็ไปไหนไม่ได้อีกเหมือนกัน แต่ตามไม่จริงไม่รู้จะติดไปทําไมตามวอนวัตถุขนาดร่างกายตัวเองแท้ๆตั้งแต่หัวจดเท้าก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งอีกสักวันหนึ่งแล้วจะไปติดอะไรกับของภายนอกอันนั้นเป็นเป็นเพียงปัจจัยอาศัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็ต้องมีการก่อสร้างเพื่อเป็นฝากร่องรอยหรือฝาก ฝีมือไปในแผนดินแต่เราไม่มีอะไรฝากจะเลยไม่มีการก่อสร้างอะไรจะเลยอุณหพุชนรุ่นหลังเกิดมาใหญ่ที่หลังก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีประวัติศาสตร์พวกรุ่นก่อนๆก่สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เพื่อการศึกษาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในทางด้านวัตถุ ในเมื่อด้านวัตถุแล้วกันนำเข้าสู่ทั่งด้านจิตใจด้วยแต่ถ้าเราเป็นหลงกับด้านวัตถุจริงๆ จ, จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นคิดว่าวัตถุนั่นแหละเป็นของเลิศประเสริฐอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงไอ้พวกคีตนีทีเนียวทั้งหลายหลวงพ่อว่าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน คือความเห็นผิดเกตคิดว่าของเหล่านั้นจะเป็นของตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าว่าใช้อิลุยชูแชทสุลุยชุล่ยายไม่รู้จักประมาณตัวอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันสุดตรงไ ป, ไปอีกด้านหนึ่งเมือนกันทำไมจึงว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคืออะไรให้รู้จักประมาณตนโภชเนมัตตัยุตา สันตุถีประมังทะนังอภิชตาเนต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นตัวยืนอย่าให้ไปสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งอย่าให้ขี่ตะนีถีเหนียวจนเกินไปอย่าฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเ ฟ, มฟือยจนเกินไปจนให้คนอื่นเดือดร้อนนี่หละอันนี้ก็พวกเราต้อง ช่วยกันคิดอีกเหมือนกันนแต่ที่แต่นีทีเนียวเกินไปก็ไม่ได้พวกเราได้ยินมัเสียงคล้องเมื่อกี้เนี่ยก่อนหลวงพ่อจะขึ้นมาศาลาหลวงพ่อแม่ครูบาจากกรุงเทพท่านถวายคล้องมาท่านเห็นคล้องละคังเอาไว้ที่โรงน้ําร้อนมันเล็กเนี่ยท่านว่าเนี่ยจะถวายคล้องหลวงพ่อว่าอยู่ที่บ้านขายพวกเนี่ยพวกเครื่องดนตรีมั้งหลวงพ่อเอาได้ มันดังไหมล่ะเห็นแต่คล้องของเมืองอุบลโดยมากมันเป็นเหล็กหนาแล้วก็บัตรกรีตีดังถวังถวังมันไม่ดังอันนี้เขาดังมามาจากพม่าเหมอนกคล้องมาจากพมาก่าเออทามันดังอ่ะทดลองอะไรสิก็เลยส่งมาให้มือเช้านี่หลวงพ่อก็ตีมานตงุงตุงเสียงดังกล้องเลยแล้วก็ขอให้ครูบาบวทใหม่บอก โทรไปบอกแจ้งพ่อแม่ด้วยนะบอกก็าได้รับของนะหลวงพ่อได้รับแล้วขออนุมโมทนาให้ดุบุญมากๆไปที่ไหนให้เสียงดังกลางวานันอิทธิศัพท์ชื่อเสียงให้เสียงไปในทางที่ดีว่างั้นอ่ะไม่เอาเสียงไปในทางที่ไม่ดีแมวให้เสียงไปในทางที่ดีฮะแต่มาพูดถึงเรื่องนี้มาพูดมาอดคิดถึงหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อลงตาองค์หนึ่งว่างันอะไ <c oughs> เป็นนิทานเนะ่ะลกตาองค์หนึ่ง ลงตาขี้ต น, นีว่างั้นเถอไปเทศที่ไหนมีอะไรนะี่ยโอ้เอาบทว่างั้นเถอะถ้าไปเทศที่ไหนไปเห็นเขาบริเขาบริจาคเขามาเอากล้วยเอากล้วยเงาวกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยอันนี้แหละเอ่อออกมาเยอะว่างันเอ้คิดหาถุงไม่ได้หายามไม่ได้ไม่มียามที่จะใส่กล้วยว่างั้นเถอเห็นมันเยอะเลย ไม่มีที่จะใส่หลวงพ่อก็เป็นนักเทศใช่ไหมล่ะก็บอกว่าเออญาติ ย, ย่อมถ้าหากว่าคนผู้ใดก็ตามทานกล้วยมันช่วยมันแหลมเหมือนก้นถ้ า, าว่าใครทานถุงทานถุงทานย่ามเลยทานถุงทะยงทะยานขึ้นฟ้าออหลวงพ่อหาคำพูดเก่งนะทานกล้วยสวยลงสวยร่ง อท่านถุงท่านยามอะยุ ท, งทงยงทะยานขึ้นฟ้าเลยทีนี้เขาก็เห็นว่าเออทานบริจาคกล้วยมันมันมันช่วยมันแหลมเลยเขาเอากล้วยออกไปทีนะี้ตามให้จริงหลวงพ่อนหะนอยากจะได้กล้วยเขางั้นอแต่จะหาถุงมาใส่กล้วยว่างนะั้นเถะทีนี้เขาก็เอากล้วยออกไปทีนะี้เออเขาจะเอาเอายามมาแทนวนะ่างั้นอ่ะเพราะมันทยงทยานขึ้นฟ้าเลอหลวงตานี่็เห็นท่าเขาจะเอาไปหมดเนะี่ยกล้วย ไม่ท่าเหมืนกันแต่ก็เลยเปลี่ยนคําพูดใหม่ไปเออถ้ากล้วยงาวกล้วยหอมไม่เป็นไรคนแต่มันกล้วยน้ําว้าเนี่ยเอาไปเถอะใช่ไหมคือดวงตาเนี่ชอบกล้วยงาวกล้วยหอมเหมือนกันแต่แต่กล้วยน้ําว้าเนี่ยเป็นแต่สั่งแต่กล้วยน้ําว้างั้นแต่ถ้ากล้วยถ้ากล้วยงาวกล้วยหอมไม่เป็นไรเออเป็นแต่สั่งแต่กล้วยน้ําว้า เขาก็เลยเอากล้วยหง้ากล้วยหอมไว้เหมือนกันแต่เขาก็เลยเอากล้วยน้ําว้าออกแล้วหาถุงมาให้ลลลหลวงหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยแหละหลวงตาเนี่ยเทศอยู่เทศกินจริงๆเลยตอนนี้พอไปไปเทศอีกเท่าไหร่พอไปเทศเขาก็จะมีคล้องมีกองเหมือนกันเวลาเทศจบเขาจะต้องตีคล้องตีกองมุงตึงตึงตึงมุง้งเวลาเทศจบแต่แต่ละครั้งเหมือนกันแต แต่นนี้หลวงพ่อเนี่ยก็ไปเทศไปเทศเทศแข่งเขาว่านะเทศแข่งใครเทศเก่งกว่ากันคนนั้นได้รางวัลลักษณะอย่างงั้นแหะแต่ลงตากเทศเก่งทีนี่ยแต่ขี้เหนียวอีกต่างหากว่าเงี้ะไม่ให้หลุดให้หล่นไปได้ที่ไหนว่างั้นเถอะพอเทศจบลงเขาก็โอ้สมัยนั้นเขามีรางวัลมีทั้งช้างมีทั้งมา้ามีทั้งวัวมีทั้งควายว่งยางั้นเถอะมีรางรางวัลให้แก่ ดวงตาผู้เทศผู้เทศเก่งเหมือนกันน่ะเทศชนะหมู่เพื่อนเหมือนกันน่ะเออกล่ว่าเทศโจดเทศโจดนะน่ะโจดขานกันนะ่ะสมัยโบราณเขาถือเป็นประเพณีเหมือนกันน่ะถามแต่ก็ไม่ติดถามแต่เลยก็ไม่ติดไม่คล่องเหมือนกันน่ะแก้ได้เออจนคู่ต่อสู้ทั้งหลายยอมแพ้ อ, อกเนี้ยก็เป็นฝ่ายชนะเหมือนันน่ะแปลว่ า, เ ป, วาเป็นผู้เจนจบในหลักสูตรต่างๆ จบในพระไตรวิดกจบในวทะวทะัิษีเหมือนกันเถอะเอาชนะหากล้างผู้ที่ถามมาได้ชัดเจนเหมืนอนกันเขาก็ให้รางวัลแต่เป็นคนขี้เหนียวทีนีลงตาเนี่เขาว่าโ อ, โอ้ลงตาจะเอาไว้ที่ไหนล่ะเขาจูงช้างมาเอาควายมาเอาวัวมาเอามามาเหมือนกันเะเขาก็มามัดไว้ใ น, นบริเวณรอบๆศาลานีา่ยนี่แหละรางวัล สมัยก่อนไม่มีเงินมีทองอย่างพุกวันนี้เนี่ยมีแต่ของเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้สัตว์เลี้ยงก็คงจะไปขายเป็นเงินอีกมั่งหลวงพ่อเลยก็เอ๊ะถ้าไปมัดไว้ที่อื่นก็กลัวคนอื่นจะเอาใช่ไหมืมันคนขี้เหนียวนนิใช่ไหยหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ๊ยมัดใส่หลักก็เป็นของหลักมัดใส่ตอก็เป็นของตอ ถ้าอยากจะให้ลงตาลงพ่อให้มามัดใส่คอลงพ่อดีเนอะเออทีนี้เขาเอาเชือกต่อเชือกยาวๆมางั้นแหละเขาก็มาคล้องใส่คอลงพ่อเออเชือกควายกับเชือกหนึ่งเชือกบัวกับเชือกหนึ่งเชือกมากกับเชือกหนึ่งเชือกช้างกับเชือกหนึ่งเอ่อมามัดใส่คอลงพ่อพ่อแสดงเอออ้าวบาดเนี่ยตีละครั้งไหมกันเนี่ยแปลว่าลงพ่อ ตีคลองตีกองตีละครังเพรว่าหลวงพ่อได้ของแล้วเง้นเาก็ตีคลองมุ้งตึ ง, งทางช้างทางมา้าทางวัวทางควายมันไม่เคยได้ยินเสียงกรองใช่ไหมมันกระโดดเป็นคนละทา ง, งเอเชือกเช่นนั้นกับมัดคอหลวงพ่อขาดลงจากธรรมชาติเหมนกันลหลวงพ่อยังไม่ได้อะไรหลวงพ่อคอขาดก่อนมือนนเลนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าย อย่าไปชี่โลภมากจนเกินไปนคอตัวเองขาดเนยถ้าไปมัดใจหลักก็เป็นของหลักนะแต่มัดใจตอก็เป็นของต่อเออถ้าหากไหวจักจะให้หลวงพ่อหลวงตากับมามามัดเส่คอหลวงพ่อหลวงตานี่เด้อฟังมาเขาเอาเชือกมาคล้องคอหลวงหลวงพ่อหลวงตาเลยจากนั้นเลยช้างกระโดดไปทางหนึ่งม้ากระโดดไปทางหนึ่งวัวควายมันตื่นกันได้ใช่ไหมหลวงพ่อก็ไว้ลงจากทำ ม, มา้าแล้วคอขาดเท่านั้นเนี่แหละ อันนี้ก็คือความโลภโลภพาตายโลภไม่รู้จักประมาณทำให้คนตายได้เหมือนกันนะโลภเนี่ยเพราะนั้นในพวกเราโลภพอประมาณต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ในใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต ใ, ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ทุกอย่างให้รอบคอบอย่าใช้ความโลภให้ใช้การเสียสละ ถ้าเสียสละไปที่ไหนใครก็รักทั้งหมดนั่น่หนละถ้าขีดตะนีทีเหนียวไปไหนใครๆครก็ไม่อยากจะเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกเนะพราะเหตุลไยเพราะว่าไปที่ไหนเวลาไปทานอาหารด้วยกันก็นัเนนะ่ะเวลาหมู่จะอิ่มตัวเองเดินหนีก่อนละให้หมูจ่ายเงินฮนะีนั่นแหละเขาจะไปได้กี่น้ําำหรอพอไปข่าวหน้าโอ้ยจะไปชวนมันมาได้นะั่นแะต่มันไม่ออกเงินช่วยกับเราเลยเนะี่ย ผนที่สุดก็เลยไม่มีหมูมีเพื่อนมีพักมีพวกเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะเห็นแก่ตัวเออไม่ได้ช่วยกันไม่ได้หารกันมันน่าจะรู้จักใครๆก็ถึงเขาจะรวยเขาก็ต้องมีน้ําใจเขาจะต้องอาศัยหมู่เหมือนกันต้องเฉลือเผื่อแผ่กันเออข้ามีไม่มากแล้วว่ข้าต้องช่วยเท่านี้เออก็น่าเห็นใจเพราะมันจนแต่คนที่มีคนที่รวยก็ต้องออกมากกว่าเนี่ย แต่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจนเดินนี้เลยนี่จะมากินกับหมูต่อไปไม่มีหมูมีเพื่อน่ะเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีน้ําใจเพราะฉะนั้นน้ําใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่เห็นไหมหลวงตาลูกหลวงตาที่ยืนที่เขียนทําไมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเ อ, อคือเมตตาการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตา คนที่มีเมตตาต้องยอมเสียเปรียบคนอื่นเขาแต่มันาาเกินไปเราก็ต้องรู้อีกเพราะคนทคนมีปัญญาใช่ไหมถ้าเราเอาเปรียบเราเกินไปเราก็รู้เอพราะเรามีปัญญาอยู่แล้วเราเคยคิดอยู่แล้วแต่เขาเอาเปรียบเราเน้นนิดหน่อยแล้วก็หยวนให้อภัยเพราะมีน้ำใจนี่แหละการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนทําอย่างนั้นได้ถ้าคนมีแต่ขี้ตนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวแล้วอยู่กับใครไม่ได้ทั้งนั้นล่ะ ขณะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนนะไปที่ใดให้มีน้ําใจให้มีเมตตาให้มีการเสียสละอย่าเป็นเห็นแก่ตัวจนเกินไปจะเป็นขี้ตนีทีเหนียวจนไม่รู้จักแบ่งปันให้แก่ใครอันนั้นไม่ถูกนะอะอยู่ที่ไหนไม่มีหมู่มีเพื่อนไม่มีพักมีพวกอยู่กับใครไม่ได้คนลักษณะอย่างนั้นรับพร อ, อ, อนุโมท น, นาให้พร